รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่27โยคะกับการเจริญสติกรณีเฉพาะตนของบัวอาชีพครูสอนโยคะลักษณะางานที่ทำสอนโยคะให้กับคนทั่วไปคำถามแรกโยคะเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนกับการเจริญสติ หากมีความแตกต่างกันจะหมายถึงการเป็นอุปสรรคขัดขวางการเจริญสติในทางใดทางหนึ่งหรือไม่ก่อนอื่นมาดูที่เป้าหมายนะครับเป้าหมายสูงสุดของโยคะได้แก่การเข้าถึงความสุขสงบอย่างบริบูรณ์ทั้งทางกายและทางใจหากตีความตามมุมมองของพุทธก็คือได้ฌานสมาบัติอันมีกายใจสงบระงับไม่กัดแกง เกิดปีติสุขเย็นส่านมีจิตเป็นหนึ่งทรงภาวะอุเบขาไร้มนทินสำหรับคนทั่วไปฟังแล้วก็น่าจะดีเพราะจิตที่ดีที่สุดไม่น่าจะเกินไปกว่าจิตที่ไร้มนทินถ้าว่าตามุมมองของพุทธจิตอันไร้มนทินนั้นยังเสื่อมได้กลับมามีมนทินได้ใหม่พูดง่ายๆคือตกสวรรค์ได้กลับลงมาเป็นทุกข์ได้ อังเช่นที่มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับฤาษีชีไพรที่ออกจากป่ามาเจอสาวเจอลาบยศสรรเสริญชาญก็เสื่อมลงกลับมาว้าวุ่นกับคนและชื่อเสียงเหลือทำผิดคิดทำพลาดได้ไม่ต่างจากคนธรรมดาคนหนึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าเมื่อถึงชาญแล้วก็ไม่ได้ล้างผานประหารกิเลสให้ขาดศูนเมื่อใดชาญเสื่อมก็พลาดท่าเสียทีให้กิเลสได้อีก การได้ฌานจึงเป็นส่วนหนึ่งของกองทุกยังไม่ได้แยกขานออกจากกองทุกนอกจากนั้นผู้เจริญในโยคะก็มองว่าเป้าหมายสูงสุดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางก็ว่าเพื่อการรู้เห็นอันเป็นทิพย์บางก็ว่าเพื่อสุขภาพพานามัยที่แข็งแรงขั้นลืมหมอตลอดชีพบางก็ว่าเพื่อความผ่อนคลายทางใจห่างไกลโรคเครียดนี่สแสดงให้เห็นว่าปรมาจารย์ทางโยคะ มิได้กำหนดเป้าสูงสุดว่าผู้เจริญในโยคะต้องสำเร็จอะไรจึงถือว่าจบกิจชนิดไม่ต้องทำต่อส่วนเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนานั้นคือการพลาจิตออกมาจากกองทุกอย่างเด็ดขาดโดยล้างผลาญประหารกิเลสออกจากจิตอย่างสิ้นเชิงไม่เหลือแม้กระทั่งความสำคัญผิดคิดว่ากายนี้ความรู้สึกนึกคิดนี้ความหมายรู้หมายจำนี้เป็นบุคคล เป็นเราหรือเป็นใครใดๆซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีลัทธิความเชื่อแบบไหนเขาทำกันและถ้าทำได้จริงตามเป้าก็แปลว่าอยู่ป่าหรืออยู่เมืองจิตก็จะไม่เป็นทุกข์อีกเลยทั้งหลับตาและลืมอตาทั้งอยู่ในฌานและอยู่นอกฌานเป็นอันสุขสบายหายห่วงไปตลอดชีวิตทั่วโลกรู้จักโยคะดีกว่าการเจริญสติทั้งนี้ก็ด้วยปัจจัยสำคัญหลายประการ ประ ก, การแรกได้แก่การที่โยคะเป็นของดีสามารถลดความตึงเครียดรู้จักหาความสุขจากการบริหารกายใจและที่ยอดไปกว่านั้นคือการนำมาช่วยเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเช่นแก้เจ็บปวดตามจุดต่างๆแก้หมอนรองกระดูกกดทับบรรเทาโรคปวดหลังเรื้อรังและอื่นๆนอกจากนี้ยังแก้โรคทางจิตเช่นคลายอาการฟุ้งซ่านจัด เป็นสาเหตุหลักของโรคจิตได้ด้วยส่วนการเจริญสติในพุทธศาสนานั้นต้องยอมรับว่าจากอดีตถึงปัจจุบันเรายัางทำให้ผู้คนเข้าใจและเข้าถึงประโยชน์ไม่ได้กว้างขวางนักเพราะชาวพุทธส่วนใหญ่จะเสียงแตกเอาแค่ที่ว่าการเจริญสติเป็นเรื่องของพระหรือคารวะคารวะควรพูดหรือไม่ควรพูดเรื่องการเจริญสติก็ลงรอยกันแทบไม่ได้แล้ว อย่าเพิ่งมาคำนึงว่าจะเอาแนวทางของใครเป็นหลักจะเอามาตรฐานใดมาชี้ถูกชี้ผิดว่ากำลังมุ่งตรงเข้าสู่มรรคผลกันโยคะได้เปรียบตรงที่ไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นหลักปฏิบัติอันเป็นของกลางสำนักใดจะปรับประยุกย่างไรก็ไม่มีใครว่าขอแค่ให้ได้ผลดีจริงกับสุขภาพกายและสุขภาพใจนำไปสู่สานติอันกเกษมแห่งกายใจ ก็เป็นอันตรงกับปรัชญาของโยคะแล้วส่วนการเจริญสติเป็นเรื่องของศาสนาเป็นหลักปฏิบัติอันศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องรักษาแนวทางตรวจสอบเทียบเคียงให้ตรงกับต้นตำราเดิมของพระพุทธเจ้าถ้าใครคิดเปลี่ยนแปลงก็ถึงขั้นกลายเป็นความแตกแยกทางศาสนากลายเป็นนิกายหรือลทัทธิใหม่ที่ต้องมีคนจานวนหนึ่งยอมรับร่วมกัน นี่เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อศรัทธาว่าการเจริญสติเป็นไปเพื่อเข้าถึงความจริงขั้นสูงสุดเกิดประโยชน์สุขสูงสุดเราจะปล่อยให้เกิดแบบวิธีฝึกตามอำเภอใจไม่ได้ว่ากันในแง่หลักปฏิบัตินั้นโยคะเป็นการตั้งท่าบริหารกายพร้อมทั้งลมหายใจหรือมีวิธีการบิดตัวในลักษณะที่แปลกประหลาดเช่นท่ายืนบนไหล่ท่าขาเดียวท่ากึ่งบิดตัวท่ายืนเอาหัวต่างเท้า ท่าแมงป่องท่าตะกแตนท่าขันศรและอื่นๆทั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ให้เกิดความผ่อนคลายสร้างความแข็งแรงยืดเส้นยืดสายทั่วทั้งระบบกายไม่ว่าจะเป็นกระดูกกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหัวใจระบบการย่อยอาหารตลอดจนประสาทต่างๆส่วนการเจริญสติบาปพุทธนั้นไม่ได้แข่งกับศาสตร์ในการบริหารร่างกายไหนๆแต่มุ่งเน้นเรื่องของสติและปัญญา เริ่มขึ้นมาพระพุทธเจ้าจะให้รู้ตามที่กายใจกำลังเป็นอยู่ไม่มีการตั้งท่าตั้งทางเป็นพิเศษเช่นหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจสั้นยาวอย่างไรก็ให้รู้ว่าสั้นยาวอย่างนั้นแม้ร่างกายกำลังอยู่ในอิริยาบถ ท, ท่าทางไหนๆก็ให้รู้สึกถึงอิริยาบถ ท, ท่าทางนั้นๆเป็นต้น ทั้งนี้ก็เพื่อจุดประสงค์ให้เกิดความเท่าทันสภาวะทางกายใจตามจริงอันเป็นฐานให้ต่อยอดไปเห็นว่าทุกๆสภาวะล้วนไม่เที่ยงไม่อาจบังคับควบคุมให้อยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งอย่างถาวรได้เลยเ <comed ians S 1> มื่อเห็นว่าไม่เที่ยงไม่ใช่อะไรที่ไปบังคับได้จิตย่อมปล่อยย่อมวางย่อมสละคืนไปเองเมื่อทิ้งทุกลงก็ย่อมไม่หนักทุกอีก กล่าวโดยสรุปย่นย่อคือโยคะนั้นเป็นการฝึกตั้งท่ากายกันใหม่และมีผลพลอยได้เป็นสุขภาพที่ดีขึ้นกับทั้งไม่มีจุดมุ่งหมายพิเศษอื่นใดเลยไกลไปกว่ากายใจอันสมบูรณ์พูนสุขนี้ส่วนการเจริญสติในพุทธศาสนาคือการฝึกมองกายมองใจกันใหม่เพื่อให้เกิดสติแบบพุทธและบรรลุถึงสมาธิอันวิเศษเหนือโลก รู้จักนิพพานอันเป็นอิสระพ้นพบพ้นภูมิลอยบุญลอยบาปอยู่เหนือการมีและไม่มีจบชาตินี้ด้วยการยุติการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่รู้อิโนอิเนไม่ต้องหวนมาเดือดเนื้อร้อนใจไม่ต้องกลับรับผิดชอบบริหารกายบริหารใจเยี่ยงสิ่งมีชีวิตรูปร่างหน้าตาแบบไหนไหนอีกเลย คำถามที่สองหากจะนำการเจริญสติไปประยุกต์สอนแก่นักเรียนโยคะควรเริ่มจากตรงไหนก่อนดีเริ่มต้นขั้นแรกสุดของการเจริญสตินั้นได้แก่การทำความเข้าใจเพราะความเข้าใจตัวเดียวเป็นตัวชี้อย่างแท้จริงว่าคุณกำลังปฏิบัติไปเพื่อผลแบบไหนหรือพูดชัดๆคือเข้าใจอย่างไร ก็เป็นคนของศาสนาแห่งความเข้าใจแบบนั้นแม้แต่คนนับถือพุทธก็ไม่ได้แปลว่าเป็นชาวพุทธแท้ๆนะครับตราบเท่าที่ยังไม่เข้าใจจริงๆว่าพระพุทธเจ้าทรงพยายามจะชี้ให้เห็นอะไรความเข้าใจในการเจริญสติแบบพุทธจริงๆแล้วจะเห็นความสงบกายสงบใจเป็นเพียงบันไดไม่ใช่เป้าหมายและสุขภาพดีๆที่เป็นเพียงอุปกรณ์ให้ใช้งานมิใช่สาระแก่นสารสาคัญ ยิ่งไปกว่านั้นพุทธเราไม่ได้ให้ค่ากับการเสพสุขทางกายและทางจิตตรงข้ามกลับจะชี้ให้เห็นโทษด้วยว่าความสุขกายสุขใจเป็นเหยื่อล่อเป็นกับดักให้ติดใจมัวหลงเพลิดเพลินและเป็นบ่อกเกิดของความหลงสำคัญผิดนึกว่ากายใจเป็นของดีน่ายึดมั่นถือมั่นไปทั้งสิน้นถึงทำให้เลือดลมเดินดีถึงทาให้จิตทรงฌานตายไปก็ต้องเริ่มใหม่หมด โดยไม่แน่ไม่นอนว่าจะได้เกิดมาเจอโยคะศาสตร์บำรุงกายบำรุงจิตกันอีกหรือเปล่ายังไม่นับที่ต้องเผชิญภัยต้องเลือดตกยางออกจากวิบากกรรมอันใดบ้างแต่หากทำจิตให้หลุดพ้นจากอาการเกาะเกี่ยวยึดติดถือมั่นในกายใจนี้ได้ก็ได้ชื่อว่าออกนอกวงจรแห่งความทุกข์แบบไม่รู้อิโนโนอิเนเอการเจริญสติเห็นความเสื่อมไปของทุกสิ่งจะทาให้ปล่อยทุกสิ่งไปเอง สุขแค่ไหนก็ไม่เอาจำได้หมายรู้แค่ไหนก็ไม่เอาฉลาดเฉลียวเต็มไปด้วยกำลังวังชาแค่ไหนก็ไม่เอาเมื่อไม่เอาทั้งหมดย่อมทำลายฐานที่ยืนของอุปาทานทำลายรากของความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์เสียได้เมื่อนักโยคะทำความเข้าใจได้ตรงตามแก่นสารของพุทธแท้แล้วเช่นนี้ ขั้นต่อไปประยุกต์ใช้สติและสมาธิที่ได้จากโยคะมาพิจารณาความจริงจนกว่าจะเห็นแจ้งได้ทุกขณะเริ่มต้นขอแนะนําให้เลือกสอนเฉพาะนักเรียนที่ดูแล้วพอมาทางนี้ได้รับฟังแนวพุทธได้โดยไม่ขัดแย้งหรือต่อต้านยิ่งไปกว่านั้นหากนักเรียนประสบความสําเร็จทางโยคะแล้วระดับหนึ่งยิ่งดีคืออย่างน้อยมีความสงบทางกายมีความสงบทางใจ ไม่กวัดแกว่งอยู่ในท่าโยคะหนึ่งหนึ่งบ้างแล้วที่ตรงนั้นคุณจะสอนให้เขาหรือเธอหายใจตามหลักโยคะอย่างไรก็ให้เป็นไปเพียงเสริมมุมมองเข้าไปด้วยนิดเดียวว่าให้รู้ลมตามที่มันเป็นอยู่จริงเห็นว่าลมต้องเข้าเป็นธรรมดาต้องออกเป็นธรรมดาจะเข้าอย่างเดียวไม่ได้จะออกอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะอะไรอะไรต้องดำเนินไปตามกฎของความไม่เที่ยงเป็นอันดับแรกสุดทางเข้าต้องออกสุดทางออกต้องเข้าเสมอนักโยคะที่บริหารลมหายใจได้ชำนาญจะรู้สึกถึงลมหายใจได้ชัดอยู่แล้วไม่ว่าออกหรือเข้าไม่ว่าสั้นหรือยาวเพียงแต่จะไม่ตั้งมุมมองไว้ว่าลมหายใจเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องดับเป็นธรรมดาและเมื่อไม่ตั้งมุมมองไว้ ก็ไม่มีทางเห็นตามจริงว่าลมหายใจเป็นของอื่นเป็นของภายนอกจิตจะเฝ้าตามยึดอยู่ว่านี่เราหายใจลมหายใจของเราประณีตลมหายใจของเรายาวลมหายใจของเราละเอียดเรามีสภาพอันน่าพอใจดีแล้วต่อเมื่อฝึกตามรู้ว่าลมไม่เที่ยงจเจริญขึ้นแล้วเสื่อมลงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลย่อมเกิดสมาธิขึ้นในแบบพุทธ นั่นคือเห็นสายลมชัดด้วยสำนึกรู้ว่าลมไม่ใช่เราเราไม่ใช่ลมหากนักเรียนของคุณบอกคุณว่ารู้สึกสบายอยู่กับการรู้ว่าลมหายใจไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนก็ค่อยขยับขึ้นมาให้พิจารณาอีกว่าท่าทางของกายที่กำลังปรากฏก็เป็นเพียงอิริยาบถหนึ่งไม่มีนักโยคะที่ไหนรักษาสภาพอิริยาบถ น, น, นั้นไว้ได้ตลอดไปในที่สุดต้องเปลี่ยนเป็นท่าใหม่ และในที่สุดท่าใหม่นั้นก็ต้องเปลี่ยนไปอีกคุณอาจให้สังเกตเฉพาะชั่วขณะที่ต้องปรับเปลี่ยนท่ากล้ามเนื้อที่เกร็งจะบีบคั้นให้ต้องเปลี่ยนท่าไม่ใช่จะอยากให้นิ่งต่อไปได้เรื่อยๆในที่สุดนักเรียนจะพบว่าความสามารถในการนิ่งอยู่กับท่าหนึ่งๆเป็นเพียงตัวล่อหลอกให้หลงคิดไปว่ากายเรานิ่งได้กายเราเป็นของคงสภาพถาวร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 อิมเอมเกษมสันก็ให้คุยกับนักเรียนคนนั้นว่าถ้าอยากลุถึงความสุขที่แท้จริงต้องพิจารณาให้เห็นขณะแห่งความเสื่อมไปของความสุขหนึ่งหนึ่งจนกว่าจะชินกับการเห็นความสุขอยู่คู่กับความเสื่อมแม้สุขมากปีติมากได้เหมือนน้าพุเดี๋ยวก็ต้องลดระดับตกต่ำลงเป็นธรรมดาเมื่อเห็นความสุขเป็นของเสื่อมได้เป็นธรรมดา ก็ยอมไม่เป็นทุกข์เมื่อความสุขหายไปและแม้เมื่อพยายามให้สุขเท่าเดิมไม่สำเร็จก็ไม่เสียใจเพราะหันมาสังเกตตามจริงเสียแล้วว่าสุขมีระดับขึ้นลงไม่แน่นอนเป็นไปตามเหตุปัจจัยในแต่ละขณะหากคุยกับนักเรียนได้ความว่าเริ่มเห็นสุขเป็นของไม่เที่ยงจริงจัง จ, ง จ, ง จ, ง จ, งจังๆก็อาจให้พิจารณาต่อไป ว่าแต่ละขณะที่นิ่งอยู่ในท่าหนึ่งหนึ่งนั้นจิตจะจำได้หมายรู้และรู้สึกว่ามีตัวเราอยู่ในท่าหนึ่งหนึ่งตรงความรู้สึกว่ามีเราอยู่ในท่านั้นๆให้ถือว่าเป็นอุปาทานกายนี้มีจิตครองอยู่จิตผู้ครองจึงสำคัญผิดไปว่ากายเป็นตนหรือมีตนอยู่ในกายต่อเมื่อจิตเห็นว่ากายสักแต่เป็นสิ่งถูกรู้ สักแต่เป็นเครื่องอาศัยระลึกคือทราบว่ามีหัวตั้งอยู่บนบ่ามีลำตัวตั้งตรงหรือเอี้ยวบิดมีระยางแขนขาสองคู่ปรากฏต่อใจเหมือนวัตถุธาตุที่ไร้จิตครองเมื่อนั้นจิตจึงไม่สำคัญว่าตนเป็นผู้ครองกายแต่แยกออกไปเป็นต่างหากในฐานะผู้เฝ้าดูกายเฉยๆถ้าทำได้กายจะสักแต่ปรากฏในท่าทางหนึ่งหนึ่ง โดยไม่ประกอบด้วยความรู้สึกว่าท่าทางนั้นๆเป็นตัวเราและแม้เกิดความสุขเต็มปรีความสุขก็จะปรากฏโดยไม่ประกอบด้วยความรู้สึกว่าเรากาลังเป็นสุขด้วยจุดสุดท้ายนี้เองคือคำตอบครับจะฝึกหรือไม่ฝึกโยคะทุกคนมีสิทธิ์รู้เห็นกายใจตามจริงว่าเป็นเพียงสภาวะเกิดได้ดับได้และยังมีธรรมชาติอีกแบบหนึ่ง ที่พ้นไปจากความเป็นกายใจว่างอยู่ปราศจากนิมิตและที่ตั้งพร้อมจะเปิดเผยตนเองแก่ผู้ทิ้งความยึดมั่นในกายใจได้อย่างเด็ดขาดแม้เพียงชั่วขณะจิตเดียว